พระธรรมเทศนาแผ่นที่109าลำดับที่20สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่21กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าจุดจบของลูกใสบอกเราเห็นไหมลูกใสมันล่วงหลนลงไปเรื่อย ล, ลูกเล็กก็หล่นลูกใหญ่ก็หล่นผลที่สุดไม่มีลูกไม่มีลูกไสลูกไหนอยู่อยู่ตลอดไปไม่มีลูกไสข้ามปีรถจะไปจอดอยู่ใกล้รถไขรขยับขยับออกมาก็ได้เพอเพอมันกระจกแตกได้ไง่ายๆเหมือนกันนะมันตกกัมาจากที่สูงก็เห็นเดี๋ยวแล้วมันลูกไสจอดที่อื่นมีตั้งแตะเยอะที่จอด วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบอ็ดก ร, รกฎาคมพุทธศักราชสองัห้าหกสบที่หลวงพ่อบอกว่าน่ะต้นไทรถ้าจะเปรียบเทียบผลไทรของเหมือนกับชีวิตของพวกเรานั่นแหละลูกเล็กๆมันก็หลน่นลูกกลางก็หลน่นแล้วก็สุกแล้วก็หลน่น ไม่มีลูกใสต้นไหนลูกไหนที่จะข้ามปีชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันแต่สมัยเป็นเด็กก็ตายกลางคนก็ตายแล้วก็ทุกชีวิตต้องถึงจุดจบไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปไดเ้เหมือนกับ ลูกใส่นะเ น, น, นี้ไม่ใช่ทำคําคสอนของหลวงพ่อนะเป็นทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบให้ฟังมีมากมายในพระไตรปิฎกท่านเปรียบเทียบชีวิตกับใบไม้ชีวิตกับผลลไม้แต่ไม่ใช่ท่านเอาความตายมาคู่ามาเป็นอปมงคลไม่ใช่ท่านชี้ประเด็นให้ดู จริงไหมเว้นเสียแต่ผู้มีกิเลสมากจะปฏิเสธว่าไม่จริงถ้าหาว่าผู้ที่ยอมรับหลักเหตุผลแล้วต้องว่าจริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสจริงแต่จริงแล้วจะทำยังไงมันเป็นอยางไงล่ะท่านก็บอกว่าหาวิธีการแก้ไขอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปในเมื่อรู้แล้วว่า ชีวิตของเรามันเป็นลักษณะอย่างนี้เราจึงไปสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาจนไม่มองตนเองลืมตนเองขนานหนักจนไม่รู้จักวิธีหาทางออกให้กับตนเองไม่รู้จักวิธีการปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของตนเองสิ่งไหนที่มันเลวสิ่งไหนที่มันไม่ดีขนเข้ามาหาตัวเองไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นก็รู้แล้วว่ามันจะต้องถึงจุดจบแต่ก็ต้องศึกษาไปอีกว่าเมื่อจุดจบของร่างกายมีแน่แต่ว่าสิ่งที่มันไม่จบมันมีอยู่อันนั้นต้องศึกษาในจุดนั้นจุดที่ว่ามันไม่จบมันจะต้องออกไปอีกมันต้องงอกเงยไปอีก อันนั้นคือหลักของพุทธศาสนาที่ท่านสอนที่พระธรรมคำสอนของ พ, พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนถ้าตายแล้วสูนแล้วกรจบไปมันก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยก็ะจกละแต่มันไม่จบเพียงจุดนั้นที่เป็นพระธรรมคำสอนถ้าอยากจะรู้วิธีการหรืออยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อไปภายภาคหน้า ไม่ขาดขั้นเอประมาณการเดาไม่ได้ทั้งนั้นต้องปฏิบัติต้องลงมือเหมือนกับเขาอธิบายเรื่องอาหารอาหารเป็นอย่างนั้นอาหารเป็น อ, อร่อยไปอย่างนั้นเกินเข้าไปแล้วเป็นอย่างงาุ้นเป็นอย่างนี้อิ่มนละเป็นอย่างนั้นพีแต่อธิบาย จะอธิบายมากมายขนาดไหนก็ถึกก็ไม่ประสบผลสาเร็จจนกว่าเราได้ริมรสอาหารทานอาหารเข้าไปเต็มท้องของเราเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเราจะรู้ด้วยอาหารรสเป็นยังไงความอิ่มเป็นยังไงนะเมื่อเราบรรยายเรื่องอาหารเราไม่ังมันไม่ระ ง, งับความหิว มันยังหิวแต่เมื่อทานอาหารเมื่อไหรเข้าไปเมื่อไหรเมื่อนั้นจะระงับความหิวได้อันนี้ก็ให้พวกเราศึกษาศึกษาในเรื่องเรื่องจิตวิญญาณในหลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสำคัญสคัญเรื่องจิตวิญญาณมากกว่าอย่างอื่ น, นการที่จะศึกษาลุจุดนี้เนี่ย เรื่องสมาธิเป็นเบื้องต้นก่อนสติจะต้องมาก่อนนะเรื่องสติสาคัญเป็นมาก่อนก็นหมายเลขนึงเลยแหละสติสัมปะชัญญะในเมื่อมีสติแล้วพยายามสติของเราให้เข้มแข็งสติของเราต่อเนื่องสติของเราไม่เผลอเจติของเรามุ่งมั่นมั่นคงเมื่อสติดีแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นได้ ใจของเราจดจ่อดูแล ด, ดูตนเองอยู่ตลอดเมื่อสติดีแล้วสมาธิก็เกิดในเมื่อมีสมาธิจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วจิตใจนิ่งแล้วก็มองเห็นสิ่งต่างๆได้เทเลยเหมือนกับเรายืนอยู่นิ่งถ้าวันเราวิ่งสายไปสายมาอยู่เหมือนกับเราอยู่ในรถมันมอง ห า, ห, หาตัวมดหัวหาตัวแมลงหาตัวอะไรไม่เจอหรอกพราะมันวันไว้โวยแวงอยู่ใต้ใจตัวของเราเน่งเมื่อไหร่เนิ่งได้เม่อไหร่ก็ยิ่งมองเห็นได้ชัดนี่ก็เหมือนกันสมาธิในจิตใจของเราก็อย่างนั้นแหละจิตใจของเรามันเน่งมันจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้อโดยปัญญาของเราประค่อยพวกเราทุกๆท่านนะฝัน วันไหนกับวันเก่าลุงพ่อพูดมามากวันนี้พูดเรื่องมรณะภัยที่จะตามมาถึงแล้วก็ยาตั้งอยู่ในความประมาทมันตายแต่ร่างกายแต่จิตใจของเรามันจะต้องออกไปอีกนั่นแหะต้องศึกษาวันนี้พูดเรื่องเรื่องกายกับเรื่องศึกษาเรื่องเรื่องของใจถ้าเราศึกษาการศึกษาเรื่องของใจเราจะประมาณการคาดคะเนนเดา ไม่ได้ทั้งนั้นต้องลงมือปฏิบัติในเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วตัวไหนเขาว่าปฏิบัติคืออะไรสมาธิต้องสติสติมากอดในเมื่อสติมาแล้วสมาธิก็มาเกิดขึ้นได้ในเมื่อสมาธิดีแล้วนิ่งแล้วจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้ในเมื่อเกิดปัญญาเห็นรู้แจ้งเห็นจริง เห็นจริงตามแนวแถวพุทธะที่ท่านแนะนำสั่งสอนจากนั้นก็เบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะตามแนวแถวของพุทธะที่ท่านแนะนำสั่งสอนไวแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนไวแล้วนะนี่แหละเดินตามแนวแถวอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเอาต่อในไปรับพรนแล้วนนีน้นะ